แต่ถ้าตราบได้เราไปเอาสิ่งนั้นมาใส่ในใจเรามันก็จะกลายเป็นมันสับสนเรารู้ว่าเออความสวยมันมันไม่แน่นอนอะ่ะคุณจะเอาขาวโอ้โหน่าเกาหลีจ๋าแต่ไปอยู่ในชนเผ่าของขอ ง, ของทางแอฟริกาดูสิเขาเขาคงว่าเป็นผู้หญิงที่อุ้ยดูน่าเกียดอย่างเงี้ย แปลกตลาดอเออแปลกปหลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองเราต้องมองในความเป็นว่าเออสิ่งที่เราเห็นมันไม่จรหลังนี่แหละมันไม่ใช่สากลมันไม่ใช่อะไรเรารับรู้ว่าทุกอย่างมันมีทําไมบางคนเขาคนคนผิวดําเขามองคนดําด้วยการขอโทษนะ ท, ที่พูดถึงคํานี้หมายถึงคน ท, ทางทางแอฟริกาเขาว่าสวยแต่เราถามามันสวยยังไงวะอ่า ซึ่งซึ่งเราก็ต้องมองเราต้องมองกลับไปด้วยว่าว่าจริงๆว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มันไม่มันไม่สาโกน่ะมันไม่มไมอินเตอร์เนชั่นแนลเราเรายึดติดในบางสิ่งบางอย่างตามที่แฟชั่นสังคมแล้วก็ละครหรืออะไรที่เขาปลูกฝังเรามาให้เรายอมรับในสิ่งนี้แค่นั้นเองเรื่องเรื่องการสร้างในหกวันนี้นับรวมกับเป็นเรื่องที่คุณจอพูดเรื่อยๆเปล่าครับ คือคือเราไม่มีทางรู้ว่าพระเป็นเจ้าจะสร้างสร้างอะไรในหกวันแค่นั้นหรอในความเป็นจริงเพราะพระองค์ถ้าถ้าพูดถึงในความเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นทวาจาพระองค์เป็นพระวาทะเพราะฉะนั้นในสิ่งสร้างของพระองค์พระองค์ไม่ได้มาปั้นพระองค์ไม่ได้ทําให้เอามือมาปั้นปั้นปั้นตามที่เราจินตนาการพระองค์เป็นจิตพระองค์ไม่ได้มีร่างเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกายของมนุษย์ อย่างเงี้ยแต่แต่เพราะฉะนั้นแล้วการการสร้างของพระองค์เนี่ยเพื่อจะให้ทุกอย่างมันบาลานซ์เราเรียกว่าบาลานซ์คือคือทุกอย่างมันจะเป็นไปตามตามแบบว่าเออถ้ามันมีน้ํามีน้ําแล้วจะมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเราเราเรียกว่ามันเกิดระบบที่สมดุล อ, อ่าเพราะฉะนั้นวันของพระองค์กับวันของเรามันไม่เหมือนกันวันของพระองค์นั้น เราถือว่าพระองค์ไม่มีวนันไม่มีคืนไม่มีอะไรอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นคําว่าวันเรามาคิดในจินตนาการของมนุษย์เราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ว่าว่าอคือพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างมาเพื่อให้เกิดเราเรียกว่าสมดุลที่มันที่มันที่มันรักษากันเองมันอยู่ด้วยกันเองครับผมมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ยอ่าแต่ถ้าว่าพระเจ้าแต่ถ้าบางคนยึดถือในตามตามคำขีดเป๊ะเป๊เป๊ะพระเจ้าสร้างหกวนันอแล้วแต่ พึงจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่พระเป็นเจ้าจะมาสร้างอะไรยังไงลักษณะคือคือเวลาของพระองค์มันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงชาวชาวคนเออชาวคริสต์หรือชาวที่เราเชื่อในพระเป็นเจ้าเนี่ยเพราะพระองค์ไม่มีวันไม่มีคืนพระองค์ไม่มีเวลาพระองค์เป็นโอเมก้าและอัลฟาเพราะฉะนั้นแล้วพอเราไปอยู่ในดินแดนของพระองค์มันก็เลยไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีอะไรเราถึงบอกว่ามันมันไม่มีการกลับมาเกิดเราเราเราเรียกว่าเราอยู่เป็น เป็นเป็นนิรันดรตามความเชื่อนะเป็นความเชื่อเพราะพระองค์ไม่มีวันไม่มีคืนที่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราอยู่บนสวรรค์ได้กี่กับกี่วันกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าพราะองค์ไม่มีวันและไม่มีคืนพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในดินแดนนั้นเราก็จะไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่เราก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าแต่แต่ถ้าเป็นเถียงกับอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าขี้เกียจกําปั้นทุบดินกับกับกลุ่มนั้นเนีะยเออถ้าถ้าก็แน่าจะรู้นะกลุ่มไหนอออเขาจะเถียงหนักยังงป๋อนยังไงป๋อนดีป๋อเราช่างหัวมึงเถอะกะจบมึงมีความสุขกับแดนที่มึงคิดอย่างนั้นมึงก็มีความสุขพ่าอาจารย์อาจารย์จรอธิบายได้ดีมากครับขอบคุณครับเอาป้าเอาป้า เหมือนเราไม่รู้พระนามของพระเจ้าเราก็เลยเราก็เลยแพะแบบเหมือนมนุษย์เนี่ยเอ่ยพระนามจริงพระเจ้าไม่ได้ก็เลยเรียกว่าพยะโหรบาใช่ไ้ยคือคือไปสเกลระนามของพระเงค์เนี่ยเราเราเราไม่สามารถบอกได้แต่พระองค์ก็บอกอยู่แล้วกับคนคนหนึ่งว่าเราคือผู้เป็นคำว่าผู้เป็นหมายถึงว่าพระองค์ยังเป็น มันก็เคยมันก็เลยกลายเป็นคําว่าอัลฟาและโอเมก้าอัลฟาหมายถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นและพระองค์ไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยครับคุณจรครั บ, รบเรื่องอธิปเจ้าสร้างโลกเนี่ยครับเอผมไม่ได้อันนี้นะครับคือคือคือคิดออยังไรรงก็บอกแล้วไงครับถ้าถ้าคนที่เชื่อในในในในศาสนาที่เชื่อในพระเป็นเจ้าที่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามไม่ว่าเป็นคริสต์หรือเป็นอะไรนะที่ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็จะเชื่ออย่างนั้นว่ามีการสร้างจริงๆแม้แต่ในศาสนาที่ไม่เชื่อในพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นในพุทธบางนิกายก็ยังเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สร้างโลกแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะพระพุทธเจ้าในอดีตก็เป็นผู้สร้างโลกเหมือนกันเพราะเขาพยายามหาคําตอบว่าโลกเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าว่า ว่าในศาสนาเหล่านั้นเราจะเชื่ออย่างนี้แม้แต่ศาสนาบางที่ก็ยั ง, ยงหรือลทัทธิใหม่ใหม่ก็ยังมีการเรื่องพยายามเอาเรื่องการสร้างโลกเข้ามาแล้วก็เชื่อในวันที่จะมีจุดสิ้นสุดของโลกแ ต, แต่วันไหนตอนไหนเวลาไหนเราไม่มีทางรู้อ่าเพราะพระเป็นเจ้าเป็นคนยืนยันเองว่ากับโนอาห์ว่าเราจะให้คําสัญญาว่าทําพันธสัญญาคือ ถ, ถ้าเห็นสายรุง้ง พระ อ, องค์ก็ไม่ไม่ทำอะไรกับโลกความหมายถ้าเรามาตีความหมายก็คือว่าเราจะเห็นสายลุงได้ก็ต่อเมื่อเรามีฝนบรรยากาศทุกอย่างมันมันมันบาลานซ์มันสวยงามแต่ถ้าสตาสายใดอ่าคือแต่ถ้าตราบใดเราทำลายต้าไม้จนหมดน้ำกลายเป็นอ่ามลพิษหรืออากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองอ่าพเออจจนจนล้นมันก็จะเราก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่เห็น มันก็ไม่เห็นสายลุ้งอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นสายลุ้งที่สวยงามมันก็จะกลายเป็นว่าวันสุดท้ายของโลกก็ต้องมาแน่นอนมันแต่มันไม่ได้มาจากพระเป็นเจ้าแต่มาจากฝีมือของมนุษย์ที่ทำลายกันเองจนจนโลกมันไม่มีมันไม่มีความมาราศนะคือคือมันต้องมองในจุดตรงนี้ว่าบางคนจะมองว่าพระเปจ้าสร้างทำลายจริงๆอะไรเงี้ยเราเราก็มอง มันก็พูดยากอะเนาะมันแล้วแต่ใครจะกําปั้นทุบดินในเชื่อพระคมภีเขาพระคำภีป่ ะ, ะพระคมภีจากก๋จาก็จ๋าก็กจาก้าไปแค่นั้นเองครับคุณจรครับผมขอขอโทษนะครับขอถามหน่อยนะครับเรื่องที่ออสําหรั บ, บาปหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับคือคือมีจริงไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมทำบาปอะไรบอกแล้วว่ามั น, นเป็นความเชื่อในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้า Uh, เราเชื่อว่ามนุษย์ไม่สมควรที่จะเข้าไปสู่สวรรค์เพราะพระองค์เป็นองค์ความดีความรักความบริสุทธิ์อ่าพระองค์เป็นแสงสว่างและพระองค์เป็นพระยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วในความเป็นมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ที่เข้าใกล้พระองค์เลยอ่าเราก็ในศาสนาที่เชื่อในพระเป็นเจ้าว่าเราจะต้องไปอยู่กับพระองค์ซึ่งเป็นองค์ความบริสุทธิ์ความสว่างความดีงามเนี่ยเราจะทําอย่างไร มันก็เลยมีความเชื่อเรื่องการชําระบาปเข้ามาอันนี้อันนี้พูดแบบเป็นกลางนะไปดูได้ในศาสนาที่เชื่อในพระเป็นเจ้าจะมีการชําระบาปเพื่อให้ตัวเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะได้กลายไปอยู่ที่กับใกล้กับพระองค์ให้มากที่สุดแต่ในศาสนาคริสต์เราเชื่อเรื่องการชําระบาปเพราะการชําระบาปนั้นอาจจะแตกต่างจากบางบางศาสนา เราเชื่อว่าเราถูกชำระโดยพระโลหิตของพระชุมพาก็คือพระเยซูเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขน พ, พระโลหิตซึ่งพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ชำระทุกสิ่งทุกอย่างในไม่ว่าจะเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่การชำระบาปนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปเป็นเข้าเข้าเข้าเป็นคริสต์เนาะเราก็จะมีเราเรียกว่าบัพติศมาหรือการล้างบาปนั้น แต่พอเราล้างบาปเสร็จถ้าเรามีการหยิ่งพยองนั่นคือบาปแล้วเราทำได้แค่ขั้เดียวในะการชาระการล้างบาปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็รู้ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นมีความอ่อนแอรพระองค์ก็เลยทรงอนุ ญ, ญาตในการตั้งพิธีหนึ่งขึ้นมาก็เราเรียกว่าพิธีอภัยบาปพิธีอภัยบาปของคริสต์แคทอลิกกับคริสต์โปรเตสแตนต์จะอาจจะไม่เหมือนกันแต่คริสต์แคทอลิกก็เราจะเป็นการชาระเราเรียกว่าการอาภัยบาปโดยการที่เราจะตรงไปหา คุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็จะใช้อำนาจแห่งพระศาสนาจาักรและอำนาจที่พຈีตของพระเยซูเจ้านั้นในการอภัยบาปเราแล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นการที่เราจะได้รับการอภัยบาปเราก็ต้องมีเราเรียกว่าอะไรนะมีท่าทีที่จะที่ที่สำนึกผิดในบาปด้วยจริงๆแต่ถ้าเราว่าเฮ้ยเราคุณทำบาปเราเดี๋ยวคุไปแก้บาปก็หายนั่นคือบาปหนะักคือการทุลาจารศีลอภัยบาป นั่นคือบาปหนักเลยนะแทนที่เราจะได้ไปไปเพื่ อ, อ, อเพื่อ อ, อภัยบาปแต่เราได้กลับได้บาปหนักขึ้นมาอีกอแต่ถามว่าบาปนั้นได้รับการอาภัยจากพระเป็นเจ้าเวลาเราไปถูกตัดสินพระองค์ไม่เอาบาปนั้นมาในการตัดสินแต่โทษของบาปนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณคุณไปฆ่าคนโทษของบาปคือคุณต้องไปไปสภารภาพกับตำรวจแล้วก็ ดำเนินคดีหรือคุณไปเที่ยวผู้หญิงหรือเที่ยวผู้ชายหรือเที่ยวอะไรก็ตามจนติดโรคนั่นก็คือผลของบาปไม่ใช่ว่าไปอธิษฐานไปไปสา ร, รภาพบาปแล้วโลกนั้นหายไม่ใช่คุณก็ต้องยอมรับในบาปของผลของบาปนั้นด้วยคุณโกหกคุณคุณต่อยเพื่อนคุณไปแก้บาปเพราะคุณเสียใจก็จริงแต่เพื่อนก็เจ็บเพื่อนก็จาเพื่อนก็โกรธและเกลียดคุณก็ต้องยอมรับในจุดนั้นไป แต่ในที่พิพากษาเนี่ยจะไม่ได้ถูกตัดสินแค่นั้นเองเหมือนมันมีบาปทั้งโลกกับบาปบันมีบาปทั้งโลกกับบาปที่อยู่กับพระเจ้าอย่างนี้เละเราบอกแล้วไงครับว่าพระองค์เป็นพระยุติธรรมพระองค์เป็นพระยุติธรรมเพราะฉะนั้นพระยุติธรรมนั้นพระองค์จะยุติธรรมมากๆ เออไม่ใช่ว่าบาปทาั้งโลกและบาพปพระพิญญาไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าบาป ท, ที่เรากระทําในคนจรคนจรครับเขาทำนิดหนึนหน่งครับอพระเจ้ากับธรรมาชาตินี้อันเดียวกันไหมครับหรือว่าหรือไม่ใช่ครับออเอเอพระองค์ทรงเราเชื่ อ, เ ร, เ, อเราเชื่อเรื่องหนึ่งว่าพระเจ้ากับธรรมาชาติตกต่างกันแต่พระองค์ตอนสร้างในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้เป่าลมเหนือสิ่งสร้างของพระองค์ทุกสิ่งสร้างเราก็เลยเชื่อว่า ในสิ่งสร้างนั้นมี ม, มีเขาเรียกว่าอะไรนะมี power of God ออยู่ในนั้นนะเน่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการสมดุลเราก็เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างจะมีการรักษาคือคือความสมดุลเนี่ยเราใช้คำนี้เนาะเราก็เชื่อว่าถ้าอย่างเช่นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีเนี่ยท่านก็จะมองเห็นดอกไม้ท่านก็จะมองไปถึงผู้สร้างก็คือพระเป็นเจ้าท่านก็จะชื่นชมสิ่งเหล่านั้น นบุญฟรังกิสมองที่ดวงอาทิตย์ก็布拉ดเซนซิสเตอร์มูนคือดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงท่านก็จะบอกว่าโอ้พี่ดวงอาทิตย์ทําไมมันวันนี้ร้อนจังเลยคือคือจะมองสิ่งสร้างของพระองค์ให้กลายเป็นก็ก็สิ่งสร้างตรงนี้เพื่อจะดึงไปถึงพระองค์พระผู้สร้างเราเชื่อจุดนี้นะใช้คําว่าเราเชื่อไม่ต้องมาอาวิทยาศาสตร์อันนี้อันนี้เราใช้คําว่าเราเชื่อครับผมถ้ามองว่าพระองค์ทรงยุติธรรมจริงอะครับ ทุกศาสนาก็จะต้องมีโอกาสรอดเหมือนกันนะาตามความเชื่อนะเราอันนี้ในความเชื่อที่ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นการการประยุกต์ใหม่ก็แล้วกันเนาะถ้าเป็นแบบเดิมเดิมเราจะเชื่อว่าไม่รอดเหมือนบางศาสนาที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ความดีไม่เอาไปตัดสินบนสวรรค์อะไรที่เราก็คงได้ยินนะแต่เราไม่พูดถึงก็เพราะฉะนั้นแล้วเราเชื่อพระองค์เป็นพยุติธรรมด้ราัฉะนั้นแล้ว มันก็คือความยุติธรรมอะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมึงรักกูเพราะฉะนั้นมึงเชื่อกูเพราะฉะนั้นแล้วมึงประกาศในนามกูแต่มึงประพฤติเลวกูจะให้มึงเข้ามาอยู่สวท์เนาะหรืออีกคนนึงทําดีสุดๆแต่พอเขาตายไปเขาไม่ได้เชื่อจากพระ อ, องค์หรือเขาไม่เขาไม่โอเคอะเขาเขาทำความดีแล้วดีตรงนั้นเขาเรียกว่าดีในลักษณะไม่ใช่ดีเพื่อประกาศอะ่ะแต่เป็นการดีแบบทําดีจริงๆอ ะ, อะไออย่างนั้นน่ะ พระองค์จะตัดสินให้ตกนรกหรอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ใช่พระยุติธรรมเข้าใจความหมายนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราบอกยังไงครับว่าพระองค์เป็นพระยุติธรรมเพราะฉะนั้นควาว่ายุติธรรมนี่แหละคือสิ่งที่ที่ในความเป็นมนุษย์ไม่สามารถตัดสินได้ในความเป็นตัวผ ม, ผมก็ไม่สามารถตัดสินคุณนัสสุดได้ในความเป็นผมผมก็ไม่สามารถตัดสินคุณเหมมันได้เพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ พระองค์จะมีความยุติธรรมแน่นอนและเชื่อในพระยุติธรรมตรงนั้นครับผมติดด้วยอย่างนั้นข้อความในคัมภีรก็ต้องไม่สามารถหยึดใจได้ด<อ>ตรงที่บอกว่าคุณคุณนักสื่อจะพูดคำนั้นไม่ถูกในข้อความในพระคัมภีรก็จะมีบทหนึ่งในมัทธิวที่พระองค์บอกว่าในวันที่กริสัดได้กลับมานั้นพระองค์จะทรงแยก ฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาด้วยกันแล้วก็พระองค์บอกว่าคนที่อยู่ฝ่ายขวาคือคนที่ทํากับคนที่เราเรียกว่าเวลาเราหิวเจ้าได้ให้อาหารเราไหมเวลาเราเบื่อยเปล่าเจ้าได้ให้ผ้านุ่งห่มเราไหมเวลาเราถูกจองจาําเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนเราไหมเวลาอะไรคือจะมีในพระธรรมคีแล้วคนเหล่านั้นบอกว่าผมไม่รู้ว่าพระองค์คือใครแล้วผมทําตอนไหนพระองค์ก็ตัดว่า ทุกท่านทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดนั่นคือทำกับเราด้วยนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าความดีพระองค์ใช้ในพยุติธรรมแน่นอนมีในพระคมภีแต่หลายคนจะไม่หยิบยกในพระคมภีนั้นแต่จะไปหยิบว่ามันต้องเชื่อเท่านั้นถึงจะรอดออเคุณก็อยากหยิบยกตรงนั้นก็หยิบไปแต่เชื่อแล้วคุณไม่ประพฤติตามที่พระองค์ทรงบอก เชื่อแต่แต่ก็ไปดูถูกคนอื่นเชื่อแต่ก็ไปต่อว่าคนนั้นคนนี้เชื่อแล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงพี่น้องถ้าคนเชื่อแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไระเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหยิบยกพระคัมภีร์แบบมุมกว้างด้วยครับซึ่งซึ่งก็ก็พูดอย่างนี้นะไม่อยากจะนั่นไม่อยากจะกลายเป็นว่าเป็นความเชื่อในระดับหนึ่งดีกว่า อาจจะไม่ได้ตอบแทนของกลุ่มคริสเตียนทั้งหมดแล้วก็ในกลุ่มของที่เชื่อในพระเป็นเจ้าทั้งหมดของศาสนาทั้งหมดนะครับผม